ภารกิจของพุทธศาสนิกชนเพื่อรับประโยชน์สุขที่พระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าส่งมอบไว้ให้กับพวกเราการที่การปฏิบัติภารกิจทางศาสนาก็เป็นเหมือนกับเวลาที่เราไปธนาคารจะไปเบิกเงิน เราก็ต้องมีสมุดคู่ฝากไปด้วยถ้าเราไม่มีสมุดเงินฝากไปเบิกเงินที่ธนาคารเขาก็จะไม่จ่ายให้เราฉันใดผลประโยชน์หรือประโยชน์สุขของพระศาสนาอันเลิศอนอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลาย ได้มีไว้ครอบครองเป็นสมบัติก็จะเป็นของเราได้ต่อเมื่อเราปฏิบัติหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนให้ครบถ้วนบริบูรณ์ให้ถูกต้องอหน้าที่ที่เราพึงจะมีไว้ก็มีอยู่ด้วยกันสี่ประการคือหนึ่งเราต้องสร้างศรัทธาความเชื่อ ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ให้มั่นคง 2. เราต้องปฏิบัติตามคำสอนที่เรามีความเชื่อนอี้ที่สงสอนให้เรามีการเสียสละมีการให้เรียกว่าจาระคะหรือทาน 3. ให้เราดำรงอยู่ใน สถานภาพที่ดีงามไม่เบียดเบียนไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นคือให้ตั้งอยู่ในศีลห้าและสีให้เราหมั่นศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าฟังเทศฟังธรรมให้มากมากเพื่อจะได้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาดที่จะพาให้เราไปสู่ ซับอันเลิศประเสริฐที่เรียกว่าอริยซับคือการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดสิ้นสุดแห่งความทุกข์ทั้งปวงนี่คือหน้าที่หลักๆของพุทธศาสนิกชนที่พระพุทธเจ้าสงมอบไว้ให้การมีศรัทธาก็คือให้มีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้า เป็นผู้ตัดสู้จริงรู้จริ ง, รรงเห็นจริงมีจริงนะพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นพระธรรมอันประเสริฐที่จะสามารถนำพาสัตว์โลกให้ไปสู่ความสุขความเจริญที่แท้จริงให้พาไปสู่การสิ้นสุดแห่งความทุกข์ทั้งหลายได้ 3. เชื่อว่าพระอริยสงสารกทั้งหลาย ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปันโนสามีจิตปฏิปันโนเป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ถ่ายทอดไว้ให้กับสัตว์โลกทั้งหลายในขณะที่ทรงมีพระชนชีพอยู่ นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะมีความเชื่อมั่นอย่าไปสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าเพราะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติแล้วจะได้ผลหรือเปล่าว่าอาริยสงสาวกมีจริงหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จริงร้อยเปอร์ซไม่มีความปลอมความโกหก ปนอยู่ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยขอให้เราปฏิบัติตามเท่านั้นเถิดแล้วเราจะเห็นความจริงขององค์พระที่ประเสริฐทั้งสามองค์นี้ได้อย่างแน่นอนอดังนั้นเมื่อเรามีความเชื่อแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องปฏิบัติตามคำสอน ที่สอนให้เรามีการเสียสละสอนให้เรามีการให้ให้เราช่วยเหลือให้เราสงเคราะห์ผู้อื่นอย่าคิดเอาแต่ได้อย่างเดียวอย่าคิดแต่ประโยชน์ส่วนตนเพียงฝ่ายเดียวเพราะจะไม่ได้พาให้เราไปสู่ความสุขและความเจริญคนที่คิดแต่เอาแต่ได้สำหรับ ตนเองอย่างเดียวจะเป็นคนที่ใจไม้ไส้รกรรมเป็นคนปราศจากความเมตตากรุณาถ้าเป็นดังนั้นแล้วจะเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้เจริญได้อย่างไรจะมีความสุขได้อย่างไรเพราะยิ่งอยากได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งสร้างความทุกข์ให้มีมากเพิ่มขึ้นไปได้แล้วไม่พอ ก็ต้องออกไปหาใหม่หาใหม่ได้มาแล้วก็ไม่พออีกก็ต้องหาอยู่เรื่อยๆก็จะไม่เคยจะไม่ได้พบกับความสุขที่เกิดจากความอิ่มความพอความสุขที่เกิดจากความอิ่มความพอและความเจริญทางจิตใจคือมีจิตใจเมตตากรุณาเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่จำต้องเป็นผู้เสียสละ จำต้องเป็นผู้ให้นะเช่นบิดามารดาที่ให้กับลูกลูกก็มีความเคารพมีความรักในบิดามารดานะบิดามารดาให้ก็ไม่ได้ให้โดยหวังอะไรเป็นสิ่งตอบแทนให้ด้วยความเมตตากรุณาฉันใดการให้ก็ควรจะเป็นในลักษณะนั้นคือให้โดยไม่หวังผลตอบแทนจากผู้รับ เพราะถ้าให้แบบบริสุทธิ์ใจจะให้จะได้ความสุขความอิ่มความพอความภูมิใจในตัวของตนเองความรู้สึกว่าตนนั่นเป็นคนดีตนนั้นเป็นคนที่น่ายกย่องสรรเสริญถึงแม้จะไม่มีใครยกย่องสรรเสริญเราก็สามารถยกย่องสรรเสริญ ตัวเราได้อย่างเต็มปากเต็มคำเพราะเป็นความจริงดีกว่าที่ไม่ได้ทำความดีแล้วให้คนอื่นเขายกย่องสรรเสริญแล้วก็ดีอกดีใจตามคำยกย่องสรรเสริญของเขาไปอย่างนี้ก็จะเป็นความรู้สึกที่ดีใจในช่วขณะที่ได้ยินเท่านั้นเองพอผ่านไปแล้วก็ฟุบก็แฟบ เหมือนกับไม่ได้รับการสรรเสริญเยือนยอแต่ถ้าเราทำความดีด้วยการเสียสละด้วยการให้เราจะมีความรู้สึกภูมิ อ, อกภูมิใจไปเป็นเวลาอันยาวนานจะติดอยู่กับใจของเราไปตลอดทุกครั้งที่เราคิดถึงการเสียสละคิดถึงการให้ของเราเราจะมีความสุขใจมีความภูมิใจ และจะดับความหิวความอยากต่างๆได้ถ้าเราไม่ให้แล้วเรามัวแต่สแสวงหาประโยชน์สุขสาหรับตัวเราเองเราจะหาแบบไม่รู้จักอิ่งไม่รู้จักพอได้อะไรมามากน้อยเพียงไรก็ยังไม่พอได้สามีได้ภรรยามาคนแล้วก็ยังไม่พอจะต้องแอบไปหาสามี หภรรยาคนที่สองคนที่สามต่อไปเพราะว่าการหาความสุขให้กับตนเองแบบนี้ไม่ได้เป็นการให้ความสุขที่แท้จริงไม่ได้เป็นการให้ความอิ่มความพอไม่ได้ให้ความภูมิ อ, อกภูมิใจแต่กลับทำให้ตนเองเป็นเหมือนกับขโมยที่จะต้องอหลบหลบซ่อนซอนเพราะจะต้องไปทำ สิ่งที่ไม่ดีไม่งามไม่สวยงามไม่น่าภูมิใจนั่นเองแต่การช่วยเหลือคนอื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจนั้นเป็นสิ่งที่เราจะทําให้เรากล้าหารไม่ต้องหลบไม่ต้องซ่อนเพราะเป็นการกระทาที่น่ายกย่องสรรเสริญน่าเรื่มใสยอยู่ตลอดเวลาดังนั้นขอให้เรา พยายามต่อสู้กับความเห็นแก่ตัวต่อสู้กับความอยากได้สิ่งต่างๆเพื่อตัวเราเองแทนที่จะเอาเงินทองเอาเวลาไปหาประโยชน์สุขสำหรับตัวเราเองลองเอาเวลาและเงินทองนี้ไปให้ความสุขแก่ผู้อื่นดูบ้างแล้วเราจะได้พบกับความสุขที่มหัศจรรย์ที่จะปรากฏ ขึ้นมาในจิตในใจของพวกเราจึงขอให้เราพยายามทำไปในเบื้องต้นจะรู้สึกยากลำบากเพราะมีความเห็นแก่ตัวคอยต่อต้านอยู่เสมอจะเสียดายเงินทองที่หามาได้แทาเป็นแทบตาย mm. ก็คิดอยากว่าอยากจะหาความสุขให้กับตนแต่หารู้ไหมว่ า, าการหาความสุขให้กับตนนั้น ไม่ได้เป็นการหาความสุขแต่เป็นการหาความทุกข์ให้มากกว่าเพราะความสุขก็ได้เพียงในระยะแรกๆหลังจากนั้นก็กลายเป็นความหิวความอยากความต้องการอยากได้สิ่งใหม่ๆอีกอยากไปเที่ยวอีกอยากจะไปซื้อของอีกนี่นี่คือความอยากนี่คือความสุขที่เราหาให้กับเราเป็นเหมือนกับยา ขมเคลือบน้ําตาลน้ําตาลเวลาเวลาเราอมเข้าไปใหม่ๆมันก็หวานดีแต่พอน้ําตาลละลายหมดแล้วก็จะเหลือแต่ความขมขื่นสังเกตดูความสุขต่างๆที่เราได้รับจากการแสวงหาความสุขเพื่อตัวเราเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเวลาได้อะไรมาใหม่ๆก็ดีอกดีใจ ได้แต่งงานได้สามีได้ภรรยาใหม่ๆก็มีความสุขแต่พอความหวานนั้นหายไปก็เหลือแต่ความขมขื่นที่จะต้องทนอยู่กันไปอยู่ด้วยความทุกข์อยู่ด้วยความเกลียดชังอยู่ด้วยความเบื่อหน่ายอยู่ด้วยการทะเลาะวิวาทกันดังนั้นขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าเถอะถ้าเราอยากจะหาความสุขที่แท้จริง อย่าหาความสุขแบบที่เรากำลังหากันอยู่นี้นอกจากว่ามันเป็นความจำเป็นจริงๆเรายัางต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้อยู่เราก็ต้องมีไว้เช่นเราอยู่คนเดียวไม่ได้เราจะมีสามีมีภรรยาเราก็ต้องพยายามรักษาความสัมพันธ์อันดีงานระหว่างสามีและภรรยาก็ต้องมีการให้อยู่ดี ถ้าต่างคนต่างคิดอยากจะได้จากกันและกันต่างคนต่างจะไม่มีความสามารถที่จะให้ต่อกันและกันได้เมื่อไม่ได้ไม่สามารถต้องไม่ได้ตามที่ตนเองต้องการจากคู่ครองของตนก็จะต้องออกไปหาที่นอกบ้างนั่นเองแต่ถ้าทั้งสองฝ่ายพยายามตัดเนื้อลดละความต้องการของกันและกันลงและเพิ่มการให้ แก่กันและกันมากขึ้นก็จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขอยู่กันไปได้ตลอดรอดฝันอย่างนั้นไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเราก็ยังหนีการเสียสละไม่ได้หนีการให้ไม่ได้ถ้าเราอยากจะมีความสุขอย่างแท้จริงแต่ถ้าเราไม่ยอมเสียสละเราไม่ยอมให้แล้วชีวิตของเราจะมีแต่ความขมขื่น มีแต่ความทุกข์มีแต่การต่อสู้เอาแพ้เอาชนะกันอยู่ตลอดเวลาเพราะต่างฝ่ายต่างต้องการด้วยกันทั้งคู่และต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันเมื่อไม่ยอมกันก็จะต้องเกิดการต่อสู้กันเกิดการทะเลาะวิวาทเกิดการโกรธเกิดการเกลียดก เ, กเกิดอาฆาตพยาบาทต่างๆตามมา ทั้งหมดนี้เกิดจากใจที่มีแต่ความอยากความต้องการประโยชน์สุขสำหรับตนเองเท่านั้นทั้งนั้ น, น, นแต่ถ้าเป็นใจที่รู้จักให้รู้จักเสียสละแล้วจะไม่มีปัญหาต่างๆตามมาเมื่อเขาต้องการสิ่งนี้ให้ได้ก็ให้เขาไปเริ่มมันก็จบเขาอยากจะทำอย่างนั้นเราไม่อยากจะทำแต่เพื่อความอยู่อย่างสงบสุข เพื่อความสุขของเราและของเขาก็ปล่อยให้เขาทำไปเราก็ทำตามเขาไปมันก็ไม่มีปัญหาอะไรตามมาแล้วเมื่อเราให้เขามากๆแล้วเขาก็จะเกิดความ เ, าเกิดความอายขึ้นมาในใจว่าตนเองมีแต่เอาอย่างเดียวเขาก็จะเกิดความรู้สึกอยากจะให้บ้างอย่างแน่นอนสังเกตดูเวลาใครให้อะไรเรามากๆ เราจะล้อมนึกถึงบุญคุณของเขาอยู่เสมอและเมื่อเรามีโอกาสที่เราจะสามารถทดแทนบุญคุณให้กับเขาได้เราก็จะต้องทดแทนให้กับเขาทันทีใครให้อะไรเรามามากๆเวลาลองมีอะไรที่จะให้ใครได้เราจะคิดถึงใครก่อนเราจะคิดถึงคนที่ไม่เคยให้อะไรเราเลยหรือว่าเราจะคิดถึงคนที่ ให้อะไรเราอย่างสม่ำเสมอแล้วสิ่งที่ขา้าเขาให้เรานั้นอาจจะมากกว่าสิ่งที่เราให้เขาไปอีกก็ได้เป็นหลายร้อยเท่าเลยทีเดียวนี่คืออานิสงส์ของการให้การเสียสละอย่าเสียดายเราเป็นการให้เป็นการที่ลงทุนที่ดีที่สุดจะได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด ทั้งในขณะที่ให้และในอนาคตที่จะตามมาในขณะที่ให้เราก็มีความสุขใจมีความภูมิใจมีความพอใจและในอนาคตเผื่อคนที่เราให้การช่วยเหลือเขาเขาได้ดิบได้ดีเป็นมหาเศรษฐีหรือเป็นนายกเขาก็จะคิดถึงเราอย่างแน่นอนนี่คือเรื่องของการเสียสละเรื่องของการให้ ขอให้เราอย่าเสียดายทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเพราะสิ่งเหล่านี้มีไว้เพื่อมาสนับสนุนสร้างความสุขให้กับเรานั่นเองและต้องสร้างความสุขที่ถูกวิธีไม่ใช่สร้างความสุขที่มีความทุกข์ตามมาเงินทองนี้เราสักวันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งมันไปเมื่อเราตายไปแล้วเราเอาติดตัวเราไปไม่ได้ สิ่งที่เราจะเอาติดตัวติดใจไปได้ก็คือความสุขหรือความทุกข์ความอิ่มหรือความหิวความกระหายก็ขึ้นอยู่กับการแสวงหาความสุขด้วยการใช้เงินใช้ทองของเราในปัจจุบันนี้เองถ้าเราใช้แบบที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ใช้รับรองได้ว่าเราจะมีความสุขอย่างแท้จริงถ้าเราใช้อตามความรู้สึกของเรา ซื้อความสุขให้กับตัวเราด้วยการซื้อข้าวซื้อของต่างๆที่ไม่จำเป็นด้วยการไปเที่ยวไปดูไปเล่นไปฟังไปเดินไปรับประทานอย่างนี้ก็จะสร้างความทุกข์ให้กับเราอยู่เสมอและเราจะไปแบบหิวกระหายไปแบบอยากไปแบบทรมานแต่ถ้าเราทำตามพระพุทธเจ้า เราจะไปอย่างมีความอิ่มมีความสุขไปอย่างความไปอย่างสงบจึงขอให้เราพิจารณาเรื่องการให้อยู่เสมอสิ่งที่เราให้ได้ก็มีหลายอย่างด้วยกันทรงแยกไว้ถึงสประเภทประเภทแรกทรงเรียกว่าวัตถุทานคือเครื่องใช้ไม้สองต่างๆสิ่งที่เป็นวัตถุต่างๆเงินทองอาหาร ข้าหวานเสื้อผ้ายารักษาโรคที่อยู่อาศัยต่างๆเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆที่เป็นวัตถุเรียกว่าวัตถุทานทั้งนั้นเราให้เรามีอะไรมากน้อยเท่าไหร่เราก็ให้ไปตามกำลังของเรามีมากก็ให้มากมีน้อยก็ให้น้อยไม่มีก็ไม่ต้องกังวลการให้นี้เพื่อให้เรา ตัดความยึดติดอยู่ในสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆไม่ให้เราเอาศัยเข้าของเงินทองให้ความสุขกับเราเพราะมันไม่ได้เป็นที่พึ่งที่แท้จริงมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันอาจจะหมดไปเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเรายึดติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้เป็นสารณะเวลามันจากเราไปเราจะอยู่ไม่ได้ เหมือนคนที่ต้องฆ่าตัวตายเวลาที่ต้องเสียสมบัติเข้าของเงินทองหรือเสียคนที่ตนรักไปจิตใจหมดกำลังใจที่อยู่ต่อไปเพราะไม่มีที่พึ่งนั่นเองเพราะไปพึ่งในสิ่งที่ไม่ใช่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงสิ่งที่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงก็คือความดีคือการให้นี่แหละการเสียสละนี่แหละ ต่อให้เราให้จนหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเราจะไม่มีความรู้สึกอยากจะฆ่าตัวตายเราจะไม่รู้สึกว่าเราไม่มีที่พึ่งเพราะยิ่งเราให้ได้มากเท่าไหร่เรายิ่งมีความสุขมากเท่านั้นเรายิ่งมีความอิ่มมีความพอมากเท่านั้นดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสละราชสมบัติออกบวชเพราะทรงพิจารณาเห็นแล้วว่าการให้นี่แหละเป็น การให้ความสุขกับตนอย่างแท้จริงดังนั้นอย่าเสียดายทรัพย์สมบัติเท่าของเงินทองอย่าเอาไว้อย่าเอาไปใช้ในสิ่งที่จะสร้างความทุกข์ให้กับเราสร้างความหิวสร้างความอยากให้กับเราเราต้องนำเอามาใช้ด้วยการให้ทานนี่คือประการหนึ่งคือสิ่งที่เราสามารถให้กันได้ประการที่สองสิ่งที่เราให้กันได้ก็คือ วิทยาทานวิทยาทานก็หมายถึงการให้วิชาความรู้ต่างๆพวกเราทุกคนนี้มีวิชาความรู้ด้วยกันทั้งนั้นมีมากหรือมีน้อยบางคนก็มีวิชาทํากับข้าวบางคนก็มีวิชาเย็บปักถักร้อยบางคนก็มีวิชาทําไร่ทํานาทําสวนบางคนก็มีวิชาที่ได้เรียนตามโรงเรียนมา ถ้าเราสามารถแบ่งปันความรู้เหล่านี้ให้กับผู้อื่นได้โดยที่เราไม่เรียกผลตอบแทนก็ถือว่าเราก็ได้ให้แล้วเช่นเดียวกันบางทีเราไม่มีเงินไม่มีทองเราก็อยากจะทําบุญอยากจะให้ทานเราก็ไปเป็นอาสาสมัครสอนเด็กก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องเอาเงินเดือนวันเสาร์วันอาทิตย์อยู่ว่างๆไปเป็นอาสาสมัคร สอนเด็กในวิชาที่เรารู้อย่างนี้เราก็จะได้ความสุขเช่นเดียวกันประการที่สาสิ่งที่เราควรจะให้ก็คือการให้อภัยเรียกว่าอภัยทานอภัยทานก็คือการไม่จองเวรจองกรรมกันการยกโทษให้แก่กันและกัน เวลาผู้หนึ่งผู้ใดทำอะไรให้เราเกิดความโกรธเคืองขึ้นมาเกิดความอาฆาตพยาบาทขึ้นมาให้เรารีบดับไฟแห่งความโกรธไฟแห่งความอาฆาตพยาบาทด้วยการให้อภัยเพราะว่าความโกรธนี้ไม่ดีกับเราความอาฆาตพยาบาทไม่ดีกับเราทำให้เรากินไม่ได้นอนไม่หลับ ทำให้จิตใจของเราร้อนเหมือนกับถูกไฟนรกเผาไหม้แต่ถ้าเราเอาน้ำแห่งการให้อภัยมาดับแล้วใจก็จะเย็นใจก็จะสบายถ้าให้อภัยไม่ได้เราจะหาความสุขไม่ได้เราจะมีแต่ความโกรธมีแต่ความเกลียดมีแต่ความอาฆาตพยาบาทอยู่เรื่อย เพราะสังคมที่เราอยู่ด้วยกนันนี้มันก็เป็นเหมือนลิ้นกับฟันย่อมมีการกระทบกระทั่งกันเป็นธรรมดาย่อมมีการขบกันเป็นธรรมดาวันวันหนึ่งนี้เราจะเจอคนที่ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้พูดสิ่งนั้นสิ่งนี้ทำให้เราโกรธแค้นขึ้นมาถ้าเราไม่รู้จักให้อภัยแล้วใจของเราจะร้อนไปทั้งวันเลยแต่ถ้าเรารู้จักให้อภยัย ใจของเราจะเย็นไปทั้งวันและเราจะได้ไม่ต้องไปทำในสิ่งที่เราต้องมาเสียดายมาเสียใจในภายหลังเพราะเวลาที่เราโกรธเราจะคิดทำร้ายผู้อื่นเสมอหรือพูดไม่ดีต่อผู้อื่นเสมอเมื่อได้พูดไปแล้วได้ทำไปแล้วจึงมารู้สึกตัวทีหลังว่าเป็นการกระทาที่ไม่ดีเลยเป็นการ ล, ลดระดับ ลดเกียรติของตนเองอยากสุภาพบารุษสุภาพสตรีให้กลายเป็นคนที่ไม่มีบรารยาศไม่มีคุณสมบัติผู้ดีเลยดังนั้นขอให้เราให้อภัยกันเถอดเป็นสิ่งที่ไม่ยากเย็นอะไรเพียงแต่ลืมลืมมันไปเสียมันก็จบสิ่งที่เขาทํามันก็ผ่านไปแล้วสิ่งที่เขาพูดมันก็ผ่านไปแล้ว อย่าเก็บเอาไว้ในใจถ้ามันอยู่ในใจก็ไล่มันออกไปด้วยพุโทโธพุธโทโธแล้วเลิกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธไม่นานหนาทีส0บนาทีความโกรธนั้นก็จะดับไปจะหายไปได้อย่างแน่นอนดังนั้นขอให้เรารู้จักวิธี ระงับดับความโกรธด้วยการให้อภัยด้วยการลืมเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วอย่าย้อนไปคิดถึงมันเพราะคิดถึงมันทีไรมันก็จะทำให้เราโกรธขึ้นมาทันทีและจะทำให้เรามีความอาฆาตพยาบาทขึ้นมาทันทีแล้วจะทำให้เรากลายเป็นคนไม่ดีไปเพราะเราจะไปทำไปพูดในสิ่งที่ไม่ดีไม่งาม แต่ถ้าเราให้อภัยได้เราก็จะรักษาความดีงามของเราได้แพ้เป็นพระชนะเป็นมารเวลาเราโกรธแล้วเราอยากจะชนะผู้อื่นด้วยการพูดไม่ดีทำไม่ดีเราก็จะกลายเป็นมารไปแต่ถ้าเรารู้จักแพร้รู้จักให้อภัยรู้จักหยุดเราก็จะเป็นพระเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ที่หน้าเคารพเรื่มใส นับถือนี่คือสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติควรที่จะให้ต่อกันและกันเสมอและสิ่งที่สี่ที่ศกสอนให้เราให้แก่กันก็คือการให้ธรรมะเรียกว่าธรรมทานธรรมะก็คือความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเช่นวันนี้เรารู้แล้วว่าการให้อภัยเป็นสิ่งที่ดี เป็นประโยชน์กับผู้ให้ดังนั้นเวลามีเพื่อนเขาตกเขามีความทุกข์เขาโมโหเขามาระบายให้เราฟังแทนที่จะไปะยุยงให้เขาเกิดความเกลียดเกิดความอาฆาตพยาบาทมากขึ้นเราต้องสอนให้เขาให้อภัยนี่เป็นการให้ธรรมะพอเขาได้ยินว่าการให้อภัยนี่ดีกว่าการจองเวรจองกรรม เมื่อเขานำเอาไปปฏิบัติได้เขาก็จะป้องกันไม่ให้ตัวเขาเองไปสร้างปัญหาไปสร้างเรื่องสร้างราวขึ้นมาทำให้เขาเป็นคนดีเป็นคนน่ารักน่านับถือแล้วเขาก็จะเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราสอนให้กับเขาเขาเห็นคุณค่าของพระธรรมแล้ว เขาก็จะเข้าหาพระธรรมคําสอนมากขึ้นเมื่อเข้าหามากขึ้นปฏิบัติมากขึ้นก็จะเป็นคนดีมากขึ้นไปเรื่อยๆคนเราดีชั่วสูงต่ําไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ได้อยู่ที่ตําแหน่งไม่ได้อยู่ที่บริษัทบริวารแต่อยู่ที่การกระทําความดีการจะทําความดีได้ก็ต้องมีธรรมะเป็นผู้นําทาง เป็นผู้สอนเป็นผู้บอกถ้าได้ยินได้ฟังได้ศึกษาธรรมะอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็จะรู้วิธีที่จะทำให้เราเป็นคนดียิ่งยิ่งขึ้นไปเราก็จะปฏิบัติแล้วเราก็จะเป็นคนดีขึ้นไปตามลาดับเราจะมีความสุขท่ามกลางความทุกข์ความแข่งขันแก่งแย่งชิงดีความอยากได้ต่างๆของคนอื่น เพราะเราไม่ต้องแข่งขันกับใครเราแข่งกับตัวเราก็พอแข่งกับความโง่เขลาเมาปัญญาของเราที่หลอกให้เราไปหาลาบยศสารเสริญสุขหลอกให้เราไปแข่งกับผู้อื่นหลอกให้เราไปมีเรื่องกับคนอื่นสู้มาแข่งกับความโง่ของเราดีกว่าด้วยการสร้างปัญญาด้วยการฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วรับรองได้ว่าชีวิตของเราจะบตแต่ความสุข จะปราศจากปัญหาเพราะเราจะไม่มีเรื่องกับใครใครจะหาเรื่องกับเราเราก็ไม่ตอบสยอย่างก็จะไม่มีเรื่องต่างมาจึงขอฝากเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนเพื่อรับประโยชน์สุขที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ได้รับไว้เป็นสมบัติและได้มอบไว้ให้กับพวกเรา ขอให้พวกเราน้อมเอาเข้ามาปฏิบัติกับกายวาจาใจของเราแล้วรับรองได้ว่าชีวิตของเราจะดีขึ้นไปตามลําดับจะมีความสุขมากขึ้นมีความเจริญมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอ